ทีนี้ถ้าข้อห้านะบอกว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวิไนัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเจโตวิมุตติอันหานิมิตไม่ได้เราได้เจริญแล้วกระทาให้มากแล้วกระทใ า, าทให้เป็นดังยานกระทําให้เป็นดุจที่ตั้งคล่องแคล่วแล้วสังสมแล้วปรารพบดีแล้วและเมื่อเป็นเช่นนั้นวิญญาณของเราย่อมเล่นไปตามนิมิตภิกษุนั้นพึง ถ, กกถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านจะได้พูดอย่างนี้ท่านผู้มีอายุ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 กระทำให้เป็นดังยานกระทำให้เป็นดุจที่ตั้งคล่องแคล่วแล้วสังสมแล้วปรารบดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นวิญญาณของพิสูจนนั้นจะไปตามนิมิต ด, ดังนี้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะว่าเจโตวิมุตติหานิมิตไม่ได้นี้เป็นที่สลัดออกจากนิมิตทั้งปวงเนี่ย น, น, นกเ็เจโตวิมุตติที่หานิมิตไม่ได้หมายถึง สับว่านิมิตก่อนนะเนี่ยนะนิมิตนี้ก็คือนิมิตว่าเที่ยงอย่างหนึ่งนิมิตว่าสุกเนี่ยอย่างหนึ่งนิมิตว่าเป็นอัตตาเนี่ยอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าวิปัสสนาญาณของเขา โอ้โหชำนาญมากเลยนะสังขารไหนเนี่ยปรารภปั๊บไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาคล่องแคล่วมากชํานาญเป็นอย่างดีนะแต่อยู่มันก็แวบมาว่าเที่ยงบ้างแวบมาว่าสกบ้างแวบมาว่าอัตตาบ้างให้รู้เธอว่าคนนี้กล่าวตู่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือผู้ที่มีวิปัสสนาที่มีกําลังจริงๆนะปรารภที่เคยได้ยินนะคำว่าชวาวณปัญญาเนี่ยนะ ผู้มีปัญญาไวาผู้ที่มีปัญญาไวในที่นี้ไวว่ายังไงไววา่าเช่นรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประนีตใกล้ไก ล, ก, ลก็เห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่างชำนาญเนี่ยนะ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยา่าละเอียดเลวประณีตว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราบอกว่าโอหอันนี้จังทุกขงังอัตตาเขาชนานาญมากแต่จิตของเขาก็แล่นว่าเที่ยงบ้างว่าสุขบ้างว่าอัตตาบ้างให้รู้ว่าคนนี้กล่าวตู่พระพุทธเจ้าเห็นไหเพราะมันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะใครที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะไปมีนิมิตว่าเที่ยงได้ยังไงเสร็จแล้วก็ ถ้าเห็นโดยความเป็นทุกข์นะเห็นเป็นทุกข์ก็เท่ากับว่าเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นภัยคือถ้าสําคัญว่าโอ้โหภัยหมดเลยนะแต่ก็บอกแหมมันมันดีอ่ะถ้าอย่างนี้ก็ก็ผิดอย่างเต็มที่นะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าผู้ที่เห็นโดยความเป็นภัยอย่างแท้จริงอ่ะนะที่จะไปเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสุขก็ไม่ใช่ฐานะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความคิดแบบนั้นชื่อว่ากล่าวตูพระพุทธเจ้าอนะ อันนี้หมายถึงผู้ที่มีวิปัสนาอย่างชำนิชำนาญแล้วนะแล้วบอกว่าจิตของเขาแล่นว่าเที่ยงบ้างสุขบ้างอัตตาบ้างถือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงอ่านไหมกาาะนะัก็ให้คือคือจะมีอะไรนอกจากว่าคนที่พูดอย่างนั้นคือคนจําอวดเท่านั้นเองเนี่ยนะ แต่ทีนี้เราพูดถึงว่าสภาวะที่เป็นจริงอ่ะนะแต่คํานี้ไม่ได้มุ่งไป อ, อย่างอื่นหรอกมุ่งมาว่าโดยตรงๆแล้วผู้ที่เจริญวิปัสนาอย่างชํานาญคล่องแคล่วอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะที่จะไปเห็นว่าเที่ยงสุขอัตตาในขันเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะคือคือเป็นไปไม่ได้นั่นเองอ่ะนะแต่ทีนี้วิธีการแสดงก็เท่ากับปฏิเสธคนที่จะมากล่าวตูพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าเออบางพวกเขากล่าวตูพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะ อย่านีมันก็บอกว่าเขารู้หมดแหละอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่เป็นคนที่หมกมุ่นในกามมากมันก็มันก็ผิดอยู่โดยโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยนะสมมติว่าเขาบอกว่าอ น, นิจจานุปัสสนาเขาเกิดมากแต่เหมือนกับว่าชีวิตเขาใช้ชีวิตแบบเหมือนจะอยู่อีกสักพันปี เ, น, เนี่ยนะก็แสดงว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะอ น, นิจจานุปัสสนามากๆก็เหมือนกับว่า มรณะตั้งอยู่ในมรณะนี้มันปรากฏเหมือนกับว่ามีดดาบมันจ่ออยู่ที่กอหอยอยู่ตลอดนนะจะไปเพลินได้ยังไงอันนี้พูดถึงวิปัสสนาที่มีกำลังจะเป็นแบบนี้นะทีนี้ส่วนข้อหก ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิสูจน์ในพระธรรมมัทไวนี้เพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อการถือว่าเราเนี่ยมีอยู่ดังนี้แล้วของเราเนี่ยหมดไปแล้วคือแปลว่าเขาไม่มีนิมมานะในนิมิตทุกชนิดคือสําคัญว่าเป็นเป็นเราเนี่ยนะไม่มีเลยในขันทุกขันที่ที่สําคัญว่าเราด้วยอํานาจมานะเนี่ยนะไม่มีเลยในทุกขัน ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาไม่มีเลยเราก็ไม่ได้พิจารณาเห็นว่าเราเนี่ยมีอยู่ไม่ได้ไปเห็นว่าเราว่าของเราในในขันห้าทุกขันอย่างนั้นเะเมื่อเป็นเช่นนั้นลูกสอนคือความเคลือบแคลงสงสัยอย่างครอบงำจิตของเราตั้งอยู่พิสูุนนั้นพึงว่าถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านจะได้พูดอย่างนี้ ท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตออูอย่าได้กล่าวอย่างนี้อยา ก, กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่พึงตรัสอย่างนี้ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคําที่ว่าเมื่อการยึดถือว่าเรามีอยู่ดังนี้หมดไปแล้วและเมื่อเขาไม่ได้พิจารณาเห็นว่าเรานี้มีอยู่และเมื่อเป็นเช่นนั้นลูกศอนคือความเคลือบแคลงสงสยัยจากครอบงําจิตของพิสูจนนั้นตั้งอยู่ดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะว่าความถอนขึ้นแห่งอัสมิมาณนะนี้เป็นที่สลัดออกจากลูกสอนคือความเคลือบแคลงสงสัยก็เท่าก็บอกว่าอรหัตธรรมคของเขานี่เกิดแล้วนะแต่เขายังสงสัยเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือคือผิดอย่างมากเนี่ยนะเพราะว่าความถือว่าเราเนี่ยนะคนที่จะละความถือว่าเป็น เราเนี่ยมีอยู่คนนั้นคืออรหัตตมรรคอย่างเดียวที่จะไม่มีมานะในในทั้งมวลเนี่ยนะคือพระอรหันต์อย่างเดียวเสร็จแล้วก็บอกว่าโอาเข้าได้อรหัตตมรรคขนาดนี้นะแต่ก็ยังสงสัยเยอะแยะไปหมดความเครียนแลงสงสัยในที่นี้คงทคงไม่ใช่วิจิพิชาเป่แต่ว่าเครียแปลงสงสัยในอัมีมานะของตนนี่ว่ายังมีอยู่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ คือเขาไม่ได้ถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นอะไรมีแต่ก็สงสัยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคือวิจิกิจฉาไปเช่นสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปบุญบาปมันมีจริงหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะก็อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่แล้วก็บอกว่าแม้ตัวเองนีได้อรหัตตะมักอยู่แล้วนะแต่ก็สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปผลดีผลกรรมยังสงสัยอยู่เลยก็แสดงว่าไม่ใช่สงสัยกับใครจะรู้เนี่ยแตกต่างกันอย่างนี้นะว่า ถ้ามหาโมคขลานะนี้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ไม่ใช่ว่าท่านรู้ทุกเรื่องอก็มีบางเรื่องที่ท่านประสงค์จะรู้ว่าเอา๊ะสิ่งนี้มันเป็นยังไงก็จะทูลถามพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ใช่เป็นผู้ตรัสรู้ทุกเรื่อง เ, อเพราะว่าพระอรหันต์สิ่งที่ท่านไม่รู้นะคือวิชาที่ท่านไม่เคยเรียนเว้นเว้นสายอริยสัจนะสิ่งทั่วทวไปที่ท่านไม่บัญญัติที่ท่านไม่เคยรู้ชื่อคนที่ท่านไม่เคยรู้ เป็นต้นเนี่ยนะทางที่ท่านไม่เคยไปอย่างเงี้ยท่านท่านจะจ ะ, จะสามารถที่จะมีอวิชชาในสิ่งนั้นๆแต่อย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าอาวิชชาอะไรเนี่ยนะที่เรียกว่าอาวิชชาคือความเน้นว่าขันห้าเป็นเกณฑ์เนี่ยนะคือเกี่ยวกับเรื่องขันห้าเนี่ยท่านรอบรู้หมดละนะแต่แต่ว่าในขันในแง่ของกรรมมศกตาท่านไม่ได้แทงตลอดทั้งหมดเนี่ยนะอย่างภาษาฤาษีบทเนี่ยก็มีปัญญามากแต่ภาษาฤาษีบทก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้ ปรารถนาตั้งกับเมื่อไหรแล้วบำเพ็ญบา ร, รมีอะไรบ้างจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาแต่กําลังแห่งปัญญานี้ส่องไม่ถึงมันเหมือนกับว่ากลางคืนที่มันมืดมิดไปหมดนะคนมีไฟฉายก็ส่องไดใใใ้ในขอบเขตที่ทส่องได้ไม่ใช่ว่าส่องได้เท่าดวงอาทิตย์ไม่ใช่เพราะว่าพระรหัสนั้งหลายโดยเฉพาะภาษาริบุตรก็เหมือนกับสปอร์ตไลท์ดวงใหญ่ๆดวงหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ว่ามีกําลังส่องได้ทั้งโลกเหมือนกับดวงอาทิตย์เนี่ยนะความความสามารถไม่ได้เท่านั้น เพราะฉะนั้นในส่วนไหนที่จะต้องใช้แสงอาทิตย์ส่องนะนะสปอตไลต์ก็ต้องอาศัยดวงอาทิตย์นั่นแหลนะนะในส่วนนั้นนั้นท่านประสงค์จะรู้แต่ไม่ใช่ว่าท่านเนี่ยแม้อ่าด้วยอํานาจโมหะเจตสิกนี่ไม่ใช่เนะีนะที่จริงสูตรนี้นะฮะอันที่จริงเป็นการดักหน้าดักหลังของป้องกันความเข้าใจผิดเหมือนอย่างบอกว่าเออข้าพระเจ้าอิ่มแล้วแต่กินใหญ่เลย <c oughs> คือมันเป็นเหตุผลซึ่งขัดกันนะมันชัดแต่สูตรนี้ก็ทรงตรัสไว้เพื่อจะดักหน้าดักหลังไม่ให้เข้าใจผิดใช่ไหมครับเจนทรอนคือ <c oughs> เป็นการรักษายิ่งกว่ารักษาอีกว่างั้นนะ <c oughs> รักษาป้องกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดกล่าวตูแล้วมันเป็นเครื่องกั้นทันทีเนี่ยนะคนนั้นแทนที่จะได้บรรลุมรรคผลทั้งๆ ท, ท, ที่มีอุปนิสัยมีอยู่ <c oughs> แต่ถ้ายังยืนยันอย่างนั้นก็ ก็อุปนิสัยก็ถูกตัดในระหว่างนั้นนั้นเนี่ยนะบางทีเนื่องจากว่าเป็นสัพพัญญุตยานนะฮะเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าในปัญหาปัญญาขั้นถุงสูงนั้นเนอะอาจจะทําให้เกิดการเข้าใจพิดอย้ก็ได้แต่เรามักจะคิดแค่เหตุผลต่าๆอย่างใช่ไหม<ช>แต่ขั้นถุงสูงก็น่าจะต้องมีสูตรนี้ต้องอาจจะจําเป็นก็ได้ ค, คือมีความจําเป็นอย่างมากอยู่แล้วถ้าอย่างคืออะไรยุคนี้เนี่ยคนกล่าวตูท่ที่ที่คล้ายๆแบบเนี้ยไม่ใช่น้อยๆเลยอย่างยกตัวอย่างอย่างบางคำเนี่ยเขาพูดนะเราเราไม่คิดว่าจะมีคําประเภทนี้เขาบอกว่าเขาจะเก็บเมตตาแล้วก็ตกไปก่อนนั่นนะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าจะเก็บเมตตาเอาไว้แล้วจะตกสักทีหนึ่งะกะว่างนั้นนะก็คือเขาบอกว่าเขาจะเก็บเมตตาแล้วก็จะตกสักหน่อย คือมันก็บอกว่าเออยางงั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีเมตตาอะไรเลยเนี่ยนะ ก, ก็เท่ากับบอกในตัวแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเก็บขอเก็บเมตตาไว้ก่อนแล้วเขาจะตกเนี่ยนะมันไม่ใช่อยู่แล้วแต่คําประเภทนี้ให้รู้ว่ามีเนี่ยนะคนประเภทนี้ก็มีไม่ใช่ไม่มีเนี่ยนะแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นเครื่องเอาไว้วัดไงเนี่ยนะในการศึกษาพระธรรมอาเนะเพราะความคิดบางอย่างถ้าเกิดแวบขึ้นมาก็จะได้มีสูตรอา้าวนี่คิดนอกคําสอนนี่ยนะ นะก็จะได้ปกปักรักษาเพราะว่าถ้าเกิดไปเข้าใจผิดแล้วยืนยันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งเสนอลัฐที่ตัวเองเนี่ยนะให้ประชาชนรับรู้ก็อันนั้นเสียหายมากแล้วเนี่ยนะก็ขาดทุนมา ง, งั้นเถอะ<ฮ>คือตามตามทัศนะของพระพุทธศาสนาท่านเห็นอะไรน่ากลัวที่สุดเนี่ยนะเอางี้ก่อนนะถ้าถ้าเราลองมามาคิดคิดดูนะ พระพุทธศาสนาบอกว่าถือว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเขาบอกว่าสิ่งที่มันน่ากลัวมากที่สุดก็คือเนี่ยพวกบาปอาคุศลทั้งหลายแหละนะโดยเฉพาะมิจฉาทิฏฐิหรืออวิชชาทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้มันน่ากลัวที่สุดทำไมจึงมันน่ากลัวเพราะว่าหลุมนี้มันใหญ่นักคนขึ้นยากเนี่ยนะน้อยนักที่จะขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างอวิชชากับมิจฉาทิฏฐิ ที่จริงแล้วอวิชานั่นแหละเป็นมูลของมิจฉาทิฐิเป็นอาหารอย่างดีของมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นยากจริงๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าชด่ายังไม่ไม่ขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าแก้ง่ายๆ น, นะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยนะก็เราก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเหตุผลทั่วๆไปก็แก้ได้บอกไม่ใช่เลยเนี่ยนะมงั้นเดรฉ า, านไม่มากมายขนาดนี้หรอกเนี่ยนะ เพราะว่าแรงของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะยกตัวเหมือนกับมีหลายรูปนะสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าแก้ไม่ได้คืออย่างอาริฐาภิกษุสมัมมาเนนกันตกะแล้วก็สาติภิกสุที่กล่าวไปวันก่อนนั้นพระพุทธเจ้าแก้ไม่ได้เนีย่ยนะมันแก้ไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะมันมันดิ่งอย่างนั้นไปแลว้วอ่ะเนี่ยนะไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนเนีย่ยนะเรียกว่าตัวมนนานานี่ตัวไร้กาศมากนะไอ้การที่ดิ่งหรือว่าแก้ไม่ได้นี่นะ ตัวมานะเนี่ยมันทําให้คือพวกนี้จะป้องกันตัวเองเบ็ดเสร็จหมดเนี่ยนะคือมันเหมือนกับว่าคนคนทำชั่วนะในโลกเนี่ยคนทําชั่วเนี่ ย, ยจะป้องกันความผิดของตัวเองไว้หมดใช่ไหมแล้วก็ประกอบกรรมชั่วในสิ่งนั้นๆคนที่มีมิจฉาทิฐิหรือเกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะกันตัวเองไว้หมดแล้วคนอื่นจะต้องเข้ามาไม่ได้ในส่วนไหนไหน เหมือนอย่างหนึ่งก็เหมือนคนที่ต้องการจะฆ่าตัวเองตายจริงๆนะมันจะล็อกประตูล็อกอะไรเบ็ดเสร็จหมดจะได้ทํากิจทําลายตัวเองไนดะ้อย่างเต็มที่นะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนี่นะเพราะนั้นคนทําบา ป, ประกรรมทั้งหลายแหลก็ไ อ, ไอความมั่นใจเนี่ยมันมีสูงมากนี่นะก็ไม่มีอะไรนอกจากความยึดถือท่านั้นเองความไออุปาทานทั้งหลายแหละนะทั้งที่ตัวอากามุปาทานที่ถูกปาทานที่เข้าไปสําคัญผิดเนี่ยนะ วัตะน์นี้ทว่าโดยรวมๆแล้วก็ไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรแม้แต่แต่หน่อยเดียวคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิในตอนหลังคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมาก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นมิจฉาทิฐินิรันดร์นี่นะมันเอาแน่นอนไม่ค่อยได้นะในโลกของความคิดนะนะก็พูดถึงการให้ทานเฉยๆนะอีกพักหนึ่งคิดจะให้อีกพักหนึ่งไม่ให้และเลิกให้เลย อีกเจ้าหนึ่งเขาบอกเขาไม่เคยให้ไม่อยากจะให้แต่ว่าแหมตอนหลังให้เป็นนักให้ตัวฉกาดเลยอย่างเงี้ยนะมันก็อย่างนั้นอนะ่ะอย่างที่วันก่อนที่อาจารย์เกศสอนเอาของใครนะไอ้ที่จอมขี้เหนียวของอเมริกันนะ่นะที่ที่ตั้งมูลนิี่วิจัยมากๆ อ, ะ <F> อ่ะอันนเฟลเลอร์นะโรกี้เฟลเลอร์เนี่ยนะนะบอกโห oh, สุดยอดขี้เหนียวใครจะไปขี้เหนียวเท่านั้นไม่มีอีกแล้วมั้งในโลก เสร็จ แ, แล้วตอนหลังนี่แกก็เป็นนักให้ทานที่ไม่มีใครจะให้เท่าแกอีกมั้งเนี่ยนะเป็นนักให้ทานขนาดนั้นแต่ไม่แน่นะคนที่ทําบุญมากๆตอนหลังก็อาจจะเลิกให้ไปเลยเนี่ยนะก็ด้วยอาจจะด้วยเหตุผลหลายๆเรื่องเนี่ยนะคนที่นับถือาศาสนาอื่นไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถจะหันนับถือพุทธคนที่นับถือพุทธไม่ใช่ว่าจะจะนับถือตลอดไปใช่ไหมเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปนับถืออย่างอื่นอีกมันก็ไม่ค่อยแน่นอนที่สุสมัยพุทธกาลในะอย่างเช่นสุนัขขตะริชวีบุตร แกเป็นคนที่มีความสามารถตั้งหลายเรื่องจำธรรมะได้เยอะเป็นพุทธอุปถาคดูแลพระพุทธเจ้าตั้งนานเสร็จแล้วก็มีตาทิพแต่ไม่มีหูทิพเนี่ยนะตอนหลังกิเลสมันก็เกิดตอนหลังแกก็เป็นมิจฉาทิติอีกเนี่ยนะสลับไปเป็นมิจฉาทิติแล้วก็ศึกห้าลาเพศเนี่ยนะแล้วก็ด่าพระพุทธเจ้าไม่รุนแรงมากเนี่ยนะแต่ว่าอย่างบางท่านเนี่ยนะที่ไปกินอุจจาระเนี่ยอย่างเช่นชัมพุกะอย่างเงี้ยนะ แกก็กินอุจาระยืนขาข้างเดียวไม่นานเป็นผ้าทหัรไปแล้วเนี่ยนะพวกที่ถือบาตตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่แน่นะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเรียบร้อยแล้วคือคือในโลกของความคิดนี่มันจะมีอะไรแน่นอนทักเรื่องมั่งเนี่ยน ะ, ะ้นถามว่าไ อ, ไ อ, ไอความคิดนี่มันอันตรายขนาดไหนก็อันตรายมากถ้าอะโยนิโสมนัสิการเกิดเมื่อไหรก่ก็ก็พร้อมที่จะเป็นอื่นทีนี้ก็มาดูสาวหาปัจจัยของอะโยนิโสมนัสิการดูปัจจัยมันมากจริงๆเนี่ยนะ คือในโลกของปัจจัยมากๆขนาดนี้ใครจะพยากรณ์อะไรได้ได้แน่นอนมั่นคงนักนอกจากพุทธวิสัยเท่านั้นอะที่จะมองได้โหเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะสิ่งไหนที่พระองค์พยากรณ์แล้วสิ่งนั้นต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนแต่ถ้าคนอื่นนะถ้าเป็นผ้าอรหันต์ทั่วๆไปอะสิ่งที่ท่านพยากรณ์อะไรบ้างรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอันนี้ท่านพยากรณ์แน่นอนแต่บอกคนนี้จะมีศรัทธาต่อไปมั่นคงอย่างนี้ท่านไม่พยากรณ์ อย่างพระโมคขาลานะั้นท่านยังไม่พยากร์ลูกศิษย์ของท่านที่ว่ า, าข้าหากว่าพระคุณเจ้ารับประกันข้าพเจ้าสมอย่างได้นะจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปทําบุญใ ห, ให้พระนางสุปปวาสาเนี่ยทำบุญก่อนก็ได้หนึ่งทรัพย์สินข้าพเจ้าไม่เสียหายสองชีวิตข้าพเจ้าจะไม่ตายภายในเจวันข้อสประกันว่าข้าพเจ้ายังมีศรัทธาต่อไป ธรรมหาโมกขานะบอกว่าชีวิตของท่านข้าพเจ้าประกันได้ว่าไม่ตายแน่ภายในเจ็ดวันนี้สองทรัพย์สินก็ไม่เสียหายว่าแต่ว่าศรัทธานี้ก็ประกันไม่ไม่รับรองเหมืนกัน <c oughs> ว่าแตกแ ต, แต่อุบาสกคนนั้นเขาก็เก่งนะว่าข้าพเจ้าก็ารับรองข้าพเจ้าเองเพราะเขาเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วนะก็เลยรับรองได้แต่ถ้าเป็นปกตินะอย่าไปรับรองกับใครอนะมันเหมือนกับสิ่งที่นัดนัดกันเนี่ยนะ บอกว่าอย่างงี้นะสมมตินะสิบโมงเจอกันนะเป๊ะบางทีอาจจะเลทบางทีอาจจะไม่มาด้วยซ้ําไปก็อย่าไปคิดอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะในโลกของความคิดเนี่ยอะไรที่มันจะสับไวเท่ากับความคิดไม่มีรอกเนี่ยนะแปบ๊บเดียวมันคิดตั้งไม่รู้กี่สิบเรื่องต่อกี่สิบเรื่องแล้วเอาอะไรเป็นของแน่นอนทีนี้ถ้ามันเปลี่ยนไวขนาดนั้นนะทิฐิมันก็แทรกเร็วเท่านั้นแหละเนี่ยนะคมมิจฉาทิฐิมันก็เกิดร่วมกับกับความคิด อย่าลืมโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้สะสมสัมมาทิฏฐิเอาไว้อย่างเพียงพอนี้ก็ก็อันตรายมากเนี่ยนะคือหมายว่าถ้าตัวเองเข้าใจผิดแล้วไม่มีอย่างอื่นมาส ก, กิดว่าเออนะเนะอันนี้มันผิดนะเนี่ยนะอันนี้ม่ผิดไม่มีข้อมูลมามาม า, มาเปรียบเลยถ้าอย่างนี้ยากมากที่จะแก้เนี่ยนะ <c oughs> นี่มาดูอีกข้อหนึ่งนะข้อสี่ร้ยี่สิบเก้ากล่าวว่า ธรรมะที่ควรให้บังเกิดขึ้นหมายถึงธรรมะเครื่องอยู่เนืองๆนี่นะหกอย่างอันนี้เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์นะว่าพระอรหันต์ท่านอยู่ยังไงนี่นะว่าภิกษุเห็นรูปด้วยจักสูแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงด้วยหูแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉ ย, เเยมีสติสัมปชัญญะอยู่ สูดกลิ่นด้วยจมูกแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ถูกต้องโพธาพะด้วยกายแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่รู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่หมายว่ารับรู้อารมณ์ทั้งหไม่ดีใจไม่เสียใจ และเป็นผู้วางเฉยคห็นคนี้ก็น่าคิดเถ้าจะดีใจขึ้นมาเพราะอะไรจึงทำให้ดีใจ น, นถ้าจะดีใจเนี่ยทำไมจึงดีใจเพราะอิตธารมเหเพราะได้อารมณ์ที่น่าปรารถนาปกตินะผู้ที่จะดีใจก็เนื่องจากอิตธารมถ้า เสียใจลหละเสียใจก็ตรงกันข้ามก็คืออนิถารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเข้ามาก็จะเสียใจเนี่ยนะไม่ดีใจไม่เสียใจอันนี้เท่ากับปฏิเสธโลภะเนี่ยนะไม่เสียใจก็ปฏิเสธโทสะเนี่ยนะ แล้วก็วางเฉยคือมีอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยมีหลายประการด้วยกันเนี่ยนะอุเบกขาอัญญะอุเบกขาก็มีคืออุเบกขาแบบโง่เขลาอุเบกขาที่เกิดร่วมกับโมหะอุเบกขานะโลภะสี่ดวงก็เป็นอุเบกขาโมหะสองดวงก็เป็นอุเบกขาอันนี้ปฏิเสธไม่ใช่ ไม่ใช่อุเบกขาที่จะพูดต่อไปอนะมหากุศลอุเบกขาก็ไม่ใช่นะแสดงว่าอุเบกขาตรงนี้ไม่ใช่เวทนาแต่เป็นตัตรมัชตาตาเน่นะเป็นตัตรมัชตาตาแล้วก็ดำรงด้วยสติกับสัมปชัญญะ เนี่ยนะสติก็การระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดเป็นต้นได้ได้แม้นานนั่นนะสัมปชัญญะก็คือสัมปชัญญะ4ประการผู้ที่ทําได้อย่างนี้ก็คือผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอย่างไพ่บูรเนี่นยนะไพ่บูรแต่คนที่เริ่มฝึกชั้นแรกเลยนะไม่ใช่ว่ายูยูแล้วมาดํารงอันนี้เฉยเฉอ่านะเขาเขาไม่ได้ทําอย่างนี้หรอกคนที่เริ่มฝึกครั้งแรก บอกว่าเอะก็จะทำใช้ใช้ให้หมดเลยเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่นะถามว่าเขาเจริญยังไงเขาเริ่มเจริญตั้งแต่ว่าถ้าได้อิทธารมแล้วเขาคิดยังไงถ้าอ น, นิธารมแล้วเขาคิดยังไงก่อนเขาฝึกอันนี้เป็นอย่างดีก่อนปกตินั้นในชั้นต้นเนี่ยนะถ้าอิทธารมนี้เขาฝึกด้วยเจริญอะไรอ่นนะอิทธารมเขาก็ฝึกด้วยเจริญอสุภะกับอ น, นิจจะเนี่ยนะ จเจริญพวกนี้เป็นอย่างดีก่อนถ้าเป็นอนิถารมเขาก็จเจริญ อ, อนิถารมน ะ, จะเจริญเมตตาเนี่ยนะก็จะเจริญธาตุเนี่ยนเะเราฝึกเจริญเฉพาะตัวนั่นนะก็เรียกแสดงแบบตรงๆก่อนเช่นถ้าอิทธารมอสุภาอนิจจังให้ชํานาญถ้าอนิถารมจเจริญเมตตาหรือจเจริญโดยความเป็นธาตุอย่าง ชำนาญใสจแล้วถ้าสรุปนะอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งอิทธารมและอ น, นิถารมให้เป็นอสุภาหรืออ น, นิจจังก็ได้อันนี้ถ้าชำนาญขึ้นทั้งอิทธารมอ น, นิถารมให้เป็นไปกับเมตากับาธาตุก็ได้อันนี้อย่างชำนาญผู้ที่ฝึกอันนี้เสร็จแล้วก็สามารถดํารงอยู่ได้ด้วยอํานาจของสติสัมปชัญญะได้เนี่ยนะอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะได้เพราะนั้นเขาก็ไปฝึกที่ทางทางนี้เป็นเป็นเกณฑ์ก่อนเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วท่านท่านเจริญอย่างนี้ได้อย่างเต็มที่ท่านจึงดํารงอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะได้อย่างบริบูรณ์เนี่ยนะแล้วก็ที่สําคัญที่น่าขับเน้นมากก็คือว่าถ้าได้อิทธารลมอสุภาพกับอนิจจังไม่ควรเจริญให้ให้ดีๆเนี่ยนะถ้าได้อนิถารมเจริญเมตากับทาตุกรรมฐานให้ดีๆเนี่ยนะให้ให้ชำนาญให้คล่องแคล่วแล้วก็ ทุกทุกอารมณ์เลยถ้าอนิถารมณ์ก็อสุภาอนิจจังเมตตาอาสุภาให้ได้ถ้าอิทธารมณ์ก็เอาทั้ง4ประการไปเจริญให้ชํานาญอย่างนี้ทุกทุกอารมณ์เลยถ้าเจริญอย่างนี้ได้ก็สามารถที่จะดํารงด้วยสติสัมปชัญญะได้เนี่ยนะเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมะเครื่องอยู่ของพระอรหันต์เนี่ยนะผู้ที่ผู้ที่ทำเสร็จ น, นะพูดถึงผู้ที่ทําเสร็จที่ที่จ ะ, ะดํารงด้วยความวางเฉยเนี่ยนะ ส่วนอนุตรยะนี่ก็คงเป็นตอนบ่ายนะช่วงนี้มีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมอัศ ม, ม, ม, ม, มีเนี่ยนะแปลว่าแปลว่าเราไงแปลว่าเราเลยอะ่ะก็มีคนแปลง่ายๆก็แปลแบบหลวงพ่อครูไหนง่า ย, บบยดี <c oughs> อตรงตัวดีถ้าคือคืออย่างนี้นะว่าศั์ไหนก็ตามถ้าเป็นภาษาไทยนะมันไม่ต้องแปลอีกรอบหนึ่งถ้าสุนัขนะบางทีมันต้องแปลแต่ถ้าใช้เป็นไทยเลยนะเข้าใจทันทีเลยนะถึงจิตถึงใจเลยนะตรงตรงไปเลยถ้าอย่างนั้นเข้าใจง่ายข้าพระเจ้าอย่างงี้นะแหมแหมข้าพระเจ้านี่ดูต้องเหมือนกับต้องแปลทั้งนั้แล้วถ้าหากตัวเดียวยังไม่คอยังแน่นหนาสมมุติอย่างครูเนี่ย ตอกตัวโกเน้นเป๊ะเลยนะก็อันนั่นแหละพวกมานะทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะใช้ศัพ์ขนาดไหนให้มันเข้ากับสังคมได้เท่านั้นเองแต่ว่าโดยสภาวะแล้วไม่ต่างกันนะคือเครื่องอยู่ทำเนี่ยนะโดยหัวข้อก็บอกว่าเป็น ธรรมะเครื่องอยู่เนืองๆเป็นอริยาวาทเนี่ยนะเป็นเครื่องอยู่ของพระอรหันต์เนี่ยนะว่าพระอรหันต์ท่านอยู่แบบนี้อ่าสูตรนี้เป็นของพราาาาะอรหันตงคง์คือธรรมดาธรรมดาก็เน้นไปฝึกครั้งนี้แทนคือไปฝึกกรรมฐานสี่ให้ชํานาญกับทุกอารมณ์ถ้าเป็นคนทั่วๆไปนะถ้าจะเจริญคร่าวๆก็หนึ่งอนิจจังสองอสุภะสาม เมตตาสี่ธาตุกรรมฐานเนี่ยนะเจริญกรรมฐานให้ได้เออขอไปเจริญกรรมฐานทั้งสี่ให้ได้กับทุกอารมณ์ก่อนถ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้ถ้าเจริญในทุกอารมณ์ก็เป็นธรรมะเครื่องอยู่ก็ก็ได้เครื่องอยู่แล้วเนี่ยไ ด, ได้ได้ธรรมะที่เป็นที่พึ่งและ